เคยพูดกับพระพุทธเจ้าไหมเคยไหมเออนี่แหละอยู่กับพระเจ้าเลยข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญพระองค์ไปดีแล้วแต่ลูกนี่ยังหนาอยู่หนาแน่นอยู่แต่จะพยายามอ ด, ดขวดอดขวดขอความเห็นใจ พูดกับผู้เจ้านี่มันได้สมาธิอีกแบบหนึ่งนะพูดในใจเนี่ยใช้จิตใช้จิตให้มันมีมีพลังแทนที่จะปล่อยให้จิตนิ่งๆ น, นะให้จิตมันขยับอยากพูดอะไรก็พูดเลยพูดแต่ต้องมีสติด้วยนะคมุมทุกอย่างที่เราพูดเรียบเรียงคําพูดเราออกมาสรรเสริญคุณพระพุทธเจา้าบูชาคุณพระพุทธเจา้า อาที่นี้มาครบกันแล้วนะสํำรวมจิตใจนะให้สมกับที่เราเหนื่อยยากลาบากตรากตรำนะเหนื่อยยากลำบากตรากตร ำ, นะ ำ, ต, ร ต, รำตะเกียกตะกายขึ้นมาจนถึงมูลคันทกกุฎีคือที่ประทับของพระพุทธเจา้าเราขึ้นมาแล้วมันบรรยากาศมันเงียบสงบยิ่งสมัยนั้นมันคงจะเป็นป่าเป็นเขาอากาศก็ดี นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านต้องปลีกออกมาวิเวกอยู่ตามลำพังเพื่อให้จิตมันหมุนเข้าไปสู่ความสงบถ้าหากว่ามันอยู่กับสถานที่มันวุ่นวายมันก็มีผลต่อจิตของเรามันก็จะวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆโดยเราไม่รู้สึกตัวเมื่อเรามาถึงแล้วก็พูดอะไรกับพระพุทธเจ้าก็ได้พูดยังมีสติเลยนะ ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญชาตินี้ข้าพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสมาเฝ้าพระองค์ถึงพระคันธกุฎีแล้วทำใดพี่พระองค์สั่งสอนประทานเอาไว้ให้ข้าพระพุทธเจ้าก็จะพยายามประพฤติปฏิบัติตามเรื่อยไปเพราะที่มานี้ก็เพราะว่าอาศัยความศรัทธาเลื่อมใสอาศัยความเคารพ ในพัศธรรมคำสอนของพระองค์นั่นเองแล้วก็ยอมรับว่าเวลาเวียนว่ายตายเกิด น, นี้มันมีทุกจริงปัญหาเจอะแยะจริงมีความเดือดร้อนวุ่นวายจริงแต่ว่าพระองค์มีทางออกให้เรียบร้อยแล้วก็จะพยายามประพฤติปฏิบัติตามเรื่อยไปนี่ถ้าใครมาแล้วก็มาตั้งปณิธาน บันิทานว่าเราจะเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าให้มันจริงจังมากขึ้นถ้ามันจริงจังมากขึ้นเท่าใดโอกาสที่เราจะออกจากทุกข์ก็เร็วก็ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่จะออกจากทุกข์ได้นั้นต้องมีความเพียรในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นี่แล้วก็มีแวดล้อมด้วยสาวกของพระองค์ พรสาลีบุตรพระโมคัลานะพระอานน์ที่เราคุ้นเคยมากกับภวกะลิภรวกะลิเนี่ยประวัติเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่ามัวแต่ชื่นชมรูปหรือพระวรากายของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์เนี่ยน่ารักใคร่เหลือเกินเฝ้ามองยืดผูกพันอยู่เวลาเข้าใกล้ก็มีปีติ จิตใจก็มีความอิ่มเอิบความเบิกบานมีความสงบก็ไม่ปฏิบัติธรรมคือคอยจะชื่นชมว่าโอ้ยพระองค์เนี่ยพระบุรากายนีย่สวยสดงดงามเหลือเกินทำอะไรก็เรียบร้อยบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยมหาลักษณะส2ประการเนีย่ยชื่นชมอยู่อย่างนั้นลหละทีนี้พระพุทธเจ้าก็รอเวลารอเวลา ว่าเมื่อไหร่อินรีของวัคกลิเนี่ยจะแก่กล้าคือพระองค์จะสอนแรงๆเนี่ยจะกระตุกเนี่ยพระองค์ก็ต้องตรวจสอบดูอินรีก่อนว่าอินรีเขาพร้อมหรื อ, อยังถ้ามันไม่พร้อมนี่ไปกระตุกแรงๆบางทีอาจจะเสียหายก็ได้จิตอาจจะตกบูบวาบลงไปสมาธิอาจจะหายไปปัญญายาณก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าได้จังหวะมันพอดีมันลงตัวก็อาจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลย ว พ, พระันพรวักะลีเนี่ยก็ชื่นชมในพระวรากายของพู้ตุเจ้าอยู่อย่างนั้นแหละพระผู้เจ้าก็รอโอกาสจนกระทั่งวันหนึ่งถ้าดุดุอย่างแรงเลยดูกรวักะลิเธอจะมาชื่นชมอะไรกับของเปื่อยของเน่าของต้องแตกของดับของสลายอันนี้เธอจะมาชื่นชมมันอยู่ได้อย่างไงมันเป็นซากศพมันของเป็นของไม่สวยไม่งาม เธอจงหนีไปเดี๋ยวนี้ไล่เลยนะโอ้โหคนที่กําลังชื่นชมอยู่คิดดูกันแล้วกันว่าจิตมันจะกระเทือนขนาดไหนนะเดินไปเดินไปลูกไหนก็ไม่รู้ละ่ะเดินไปจะไปโดดโดดหน้าผาตายพระเจ้าดุเราแล้วพระพระเจ้าไม่โปรดเราแล้วพระพระเจ้าไม่รักใครเราแล้วเราจะอยู่มีชีวิตอยู่ทําไมเราขอตายดีกว่าลํำพึงไปเรื่อยลํำพึงไปเรื่อย พอไปถึงหน้าผาล้วเตรียมจะโดดแล้วพระพุทธเจ้าเปล่งฉับพันณรังสีปรากฏพระวรกายขึ้นต่อหน้าโอ้ปีติเต็มที่เลยที่นี่คนกาลังจะสละชีวิตแล้วจะตายแล้วอะ่ะพระเจ้าเสด็จมาโปรดที่นี่ตัวนี่ลอยขึ้นไปเลยปีติมทําให้ตัวลอยขึ้นไปเลยและพระเจ้าก็สอนสอนเลยดูก่อนวักกะลิเราจะยกเธอขึ้นจากหลมุม เหมือนความช้างยกช้างขึ้นจากหลม่มฉะนั้นหมายว่าจะยกจิตออกจากไอ้สิ่งที่มันเศร้าหมองอะสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภยัยอะความขุนเคืองความน้อยเนื้อต่ําใจความไม่ได้ใจเพราะพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้สิอันนี้มันเป็นแค่อารมณ์อะมันเกิดชั่วคราวเฉยๆอะมันไม่ได้อยู่ตลอดไปเนี่ยถ้าใครไม่รู้ความจริงตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็ทุกไปกับอารมณ์เหล่านั้นน่ แต่นี้พระเจ้าเจ้าท่านรู้แน่ชัดละไอ้พวกนี้มันไม่อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเฉยๆเกิดแล้วก็ดับนี่ยสรุปเลยเกิดแล้วก็ดับนี่คือเป็นอนิจจังนั่นเองถ้าใครทันเห็นอย่างนี้นะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสสาการขนาดไหนถ้าเราตั้งหลักได้นะเราสํารวมเข้ามาได้เนี่ยมันจะค่อยๆดับไปเองเลยนะไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกถ้าเห็นมันดับไปปั๊บเนี่ยกําลังมันจะอ่อนลงทันทีเลย ไม่บอกความโกรธก็ตามความพยาบาทก็ตามความขุนข้องมองใจอะไรก็ตามความเศร้ามองขุนมัวสามารถที่จะรู้เห็นมันดับไปได้แต่คนนั้นต้องตั้งสติดีๆตั้งสติ ด, ดีถ้าไปหลงคิดว่าไออารมณ์พวกนี้มันเป็นเราอ่ะเราแก้ไม่ได้เพราะเป็นเราเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้ว่าอารมณ์พวกนี้เป็นของเกิดดับเป็นของอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับมันง่ายเลยอ่ะปล่อยเฉยเยให้เลยดูเฉยเยเลย เดี๋ยวมก็ดับไปถ้าใครยังไม่เห็นอย่างนี้ก็ต้องฝึกฝึกจิตฝึกสติให้มากขึ้นมากขึ้นพอจิตมันเป็นสมาธิปับ๊บสติมันก็จะขยายความรู้สึกออกมาเป็นสัมาชัญญะอะไรเกิดขึ้นจะเห็นว่ามันเกิดแล้วเห็นว่ามันดับถ้าใครยังไม่เห็นก็แสดงว่าสมาธิยังอ่อนอยู่สติยังอ่อนความเพียรอ่อนมันก็ยังทาไม่ได้แต่เนื่องจากว่าเรามาที่นี่เราสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ควาฟันอุปสรรคทั้งหมดโดยเฉพาะความเจ็บป่วยไขย้ปัญหาสารพัดที่มันลุมเข้ามาแต่เราก็อุตส่าห์ดันด้นมาถึงมูลคันท่ ก, กุดีของพระพุทธเจ้าได้นี่แหละคือกำลังความศรัทธาความเลื่อมใสที่มันมีอยู่ในจิตใจมันฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่ว่ามีเฉพาะชาตินี้นั่นเนี่ยเราต้องสั่งสมมายาวนานมากแล้วเคยศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เพียรให้ทานเพียรรักษาศีลเพียรภาวนาเพียรกระทําบําเพ็ญมาเรื่อยพราั่ชาตินี้มันก็พอบอกได้ว่าความพยายามของเรามันเริ่มมากขึ้นแล้วมันถึงดันดนมาได้เหนื อ, อยากลําบากเราก็ต้องอดทนอ่ะที่เมื่อมาแล้วเราก็สํารวมจิตสํารวมจิตเอาจิตฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประชนันอยู่ วักกะลิเขาจะโดดหน้าผาจะฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าเป่งฉับพลันสีปรากฏพระวรกายต่อหน้าดูกรวักกะลิเราจะยกเธอขึ้นจากหลมเหมือนความช้างยกช้างที่ติดหลมขึ้นจากหลมเช่นั้นวักกะลิอุย้ยปีติเบิกบานมากพระเจ้าก็ให้มีสติคุมควบคุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวักกะลิก็ส่องเข้ามา ส่งเข้ามาข้างในมาเห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วคนที่มีบา ร, รมีมาบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตพอเขาบรรลุธรรมปับ๊บผู้ใหญ่ก็ตัดประโยคนี้ขึ้นมาว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตนี่ก็คือเขาบรรลุธรรมท่านวกคะลินี่บรบรลุธรรมบรรลุธรรมท่ามกลางอากาศเพราะว่าทรงอภิน ญ, ญาแล้วสิ่งที่แสดงความเคารพที่มีค่าที่สุดก็คือสำรวมจิตเรา การสํารวมจิตของเราเข้ามาอันนี้เป็นการแสดงความเคารพที่สูงที่สุดเป็นการตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าที่สูงที่สุดเพราะว่าพระทัยของพระพุทธเจ้าสาดหมดจดบริสุทธิ์สิ้นเชิงแล้วเพราะนั้นคนไหนจะบูชาพระพุทธเจ้าก็ต้องพยายามชาระจิตของตัวเองพยายามพัฒนาจิตของตัวเองให้มันจเจริญขึ้นเรื่อยๆจเจริญขึ้นเรื่อยๆ ก็ให้คุณทางจิตใจของพระโพธิยวเข้ามาอยู่ในจิตใจของเรานั่นคือใจสงบใจระงับใจรู้ความจริงมากขึ้นว่าไม่มีอะไรเลยที่เราจะไปหลงยึดมั่นถือมันได้ในสุดท้ายก็มาที่นี่เหมือนเรามาเหมือนจะมาเอาธรรมะแต่สุดท้ายธรรมะคือไม่เอาอะไรเลยอันนี้มันแปลกนะเนี่ยคือไม่เอาอะไรเลย วางปล่อยวางหมดเลยเพราะนั้นอะไรโผลมาเนี่ยถ้าสติเราดีเราจะเห็นมันเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับแต่ถ้าหาว่าสติเรายังไม่ทันบางทีก็มีบ้างก็วูบวาบเข้ามามันก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างก็เรายังเดินทางอยู่ก็เรายังปฏิบัติอยู่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีทุกบ้างจิตเราก็วิ่งออกไปบ้างไปกระทบอารมณ์บ้างมันก็จะมีอยู่อย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าความทุกข์เนี่ยมันลดลงไปมันเบาลงไปมันรู้ทันจิตใจของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ถูกทางเลยถูกต้องเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเอามาเป็นบทเรียนหมดเลยเอามาเป็นบทเรียนให้ได้เราจะเอาประโยชน์จากมันใครจะว่ายังไงก็ว่าไปเพราะว่าเราก็เผลอไปแล้วมันก็ห้ามกันไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พรอลานเราไม่ใช่พระพุทธเจ้า มันผิดพลาดเราก็เอามาเป็นบุลเรียนส่วนใหญ่การที่เรามาสแสวงบุญสแสวงธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้เรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นีจิ๊บจ้ายมากเลยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยอะแม้อยู่ตามวัดตามวามันก็มีเหมือนกันนะเรื่องอะไรปัญหาอะไรต่ออะไรแต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วรู้จักปล่อยวางไหมรู้จักเอามาสอนจิตตัวเองไหมเอามาเอาลมจิตตัวเองไหมมันสําคัญอยู่ตรงนี้อะ ถ้าเขามาสอนให้ตัวเองสัรวมระวังอันนี้ก็แสดงว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นถูกตรงหรงละอากาศดีลมโชยมาอ่อนๆไม่หนาวมากเย็นสบายเพราะนั้นเราจะได้สำรวมจิตใจบูชาพระพุทธเจ้าเลยเอาร่างกายของเราเอาจิตใจของเรามาปฏิบัติบูชาต้องขับไล่นิวรณออกไปให้ได้นะ ไม่ให้เอาเอานิบอลเอาความง่วงความซึมมาบูชาพระพูทธเจาไม่ได้ต้องขับไล่ออกไปตัวไหนง่วงตัวไหนซึมไม่เอาต้องตื่นเนี่ยต้องตื่นรู้มันถึงจะเรียกว่าบูชาพระเจ้าจริงตื่นรู้มันซึมมาก็ดูเลยเหมือนกับเรากำลังดูอะไรสักอย่างหนึ่งตัวที่ดูนั่นน่ยมันก็ไม่ไปถูกความซึมในครอบงามันเห็นตัวซึม มันแยกจิตออกจากตัวซึมได้จิตมันจะมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวซึมนั้นเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่จิตมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่อาการอาการซึมมีคนหนึ่งเขาปฏิบัติอยู่ที่นคนปรปฐมวันนั้นก็ให้นั่งปฏิบัตินานพอสมควรก็ลปลูกใจให้สู้พูดถึงพระโมคคัลลนะของน่วงเหมือนกันเป็นพระโสดาบันแล้วน่วงพระพเจ้าก็เสด็จไปสอนไปโปรด แก้ความน่วงแก้ความน่วงสู้เสร็จเรียบร้อยแล้วพระโมคคัลนก็ถามธรรมะว่าธรรมะที่จะทำให้บรรลุธรรมนั่นที่รวดเร็วสั้นๆย่อๆมีอะไรพระเจ้าข่าสัพเพธรรมะานาลังอภินิเวสายะพระผู้เจ้าสอนอะไรอะไรใครก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธรรมะธรรมทั้งหลาย ใครๆก็ไม่ควรยึดมั่นถือมันเพราะถ้ายึดมั่นถือมันมันจะเป็นทุกข์และก็สอนเรื่องทิฏฐิว่าเออถ้าเธอเข้าไปในบ้านเธอก็ต้องวางใจให้มันถูกวางใจให้เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าเธอมีทิฏฐิเข้าไปในถิ่นบ้านถ้าเกิดคนเขาไม่สนใจเธอเธอก็จะคิดว่าเออคนเหล่านี้มีใครเอาความไม่ดีของเรามาบอกคนเหล่านี้ทํำไมคนเหล่านี้จึงไม่มาสนใจเรามไม่ไม่มาใส่บาตเราเนี่ถ้าหาว่าเธอเอาความเห็น ทิฏฐิมีตัวมีตนเข้าไปเนี่ยมันก็จะสร้างตัวตนขึ้นมาสอนพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็ปรับจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายแก้ไขความง่วงได้พอดีโยมคนหนึ่งเขากําลังนั่งภาวนาอยู่พอดีตัวซึมมันมาพอดีเขาว่าเขาเลยจ้องดูตัวซึมมันก็เลยจิตก็เลยเข้มแข็งขึ้นมาตัวซึมไม่สามารถเข้าครอบงําจิตได้ตัวซึมเป็นอันหนึ่งจิตที่ดูเป็นอันหนึ่ง ว่า ม, มีกําลังจิตก็มีกําลังขึ้นมาดูไปสักระยะหนึ่งเจ็บขึ้นมาอกีกเจ็บแรงมันก็วิ่งมาดูเจ็บซึมแรงมันก็มาดูซึมก็เห็นจิตของตัวเองจิตของตัวเองก็พยายามรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายสุดท้ายมันก็สรุปลงไปไม่มีอะไรเลยเป็นเราเป็นของเราได้ระดับหนึ่งนะได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอะไรเกิดขึ้นเรามีสติและก็เห็นมันดูมันรู้มันเห็นมัน ภายใต้กติกาอันหนึ่งว่ามันเกิดและต้องดับมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะกฎแห่งความจริงอันนี้สําคัญมากเป็นกฎแห่งพระไตหลักมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะนั้นเวลาปฏิบัตินเนี่ยเราจะต้องมีสัมมาทิฐิส่วนนี้อยู่ด้วยหมายความว่าจิตเราอะไรโผล่ขึ้นมาอย่าไปให้ความสําคัญมันแค่ดูเฉยเยเลย สิ่งนี้เกิดแล้วต้องดับนี่ให้มันเด็ดขาดลงไปสิ่งนี้เกิดแล้วต้องดับมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นสภาวธรรมเฉยๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติแล้วมันจะสําคัญอะไรพอเราเลิกปฏิบัติมันก็หายไปมันก็จบไปแล้วไม่มีอะไรเลยนอกจากอุปทานของเราไปยึดมั่นถือมันเอาไว้กลัวกังวลหวั่นไหวว่าเอ้ยเดี๋ยวเป็นนั้นเป็นนี่อย่างนั้นอย่างนี้นั่นคืออุปทานที่เราไปยึดเอาไว้ผูกเอาไว้ ประธานก็เลยสร้างเรื่องสร้างเราสร้างปัญหาให้กับเราเองแต่ถ้าธรรมะของพู้ทีเจ้าต้องไม่ยินดีไม่ยินไล่จิตต้องเป็นกลางๆเรียกว่าอย่าเอาอะไรไม่เอาอะไรเวลาปฏิบัติเนี่ยมันก็แค่สภาวะธรรมเกิดแล้วก็ดับไปสิ่งที่เกิดในขณนะจิตเป็นสมาธิเขาเรียกว่านิมิตนิมิตเนี่ยบางทีมันก็เขาแปลว่าเป็นภาพลวงตาพอเราเลิกปฏบิบัติมันก็หายไปแต่ถ้าคาว่าเรามีความอยากมีความเข้าใจผิด ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะดีอย่างนี้ไม่ดีไอ้อย่างนั้นอุปทานของเรามันจะไปขวางขวางกัน้นจิตของเราก็จะไม่เจริญก้าวหน้าต่อไปนี้จะให้ดูตัวเองตามลาพังไปก่อนเอาซำรวมจิตใจบูชาพระพุทธเจ้าเต็มที่เลยน ะ, ะสิ่งที่มีคุณที่สุดก็ต้องบูชาด้วยสิ่งที่มีคุณนั่นก็คือบูชาด้วยความเคารพ บูชาด้วยจิตใจของเราเองเราจิตของเราเข้ามาอยู่ข้างในให้ตื่นตื่นแล้วก็รู้คือรู้แล้วก็ให้มันเห็นเห็นรู้แล้วให้มันเห็นกเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่ดูนั่นนะ่ะกำลังดูอยู่นะ่ะเป็นสิ่งถูกดูตัวจิตน่ะเป็นตัวรู้เป็นาธาตุรู้คือถ้าหาว่ายังมองไม่ชัดเจนก็ดูไปก่อนไม่เป็นไรอ่ะชัดไม่ชัดไม่เป็นไรทำสบายสบายไม่ยินดีไม่ยินไลน่หลักธรรมมันมีตลอดเลยนะไม่ยินดีไม่ยินไล่เป็นกลางๆแต่แค่ไหนกขา้าวแค่นั้น ีก็ตั้งปณิธานนะย้ำเอานะปณิธานนะและก็อุทิศบุญด้วยนะให้อุทิศบุญเองเลยนะ